ยมบาลมีเราเชื่อกันอย่างหนึ่งว่าหรือไม่ตาม พอตายลูกน้องของยมบาลจากความเชื่อถือที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจะ รูปร่างของยมบาลนั้นอ้วนใหญ่ท้องพลุ้ยศีรษะ เรื่องจริงๆเป็นอย่างไรกันแน่อย่างไรอย่าง และอีกอย่างหนึ่งคือยมบาลที่มีตัวจริงสําหรับ ยมบาลที่ๆ ท่านเอกอสังเกตว่ายมบาลที่เกิดจากจินตนาการนั้นคนที่เขียนภาพออกมาไม่ได้เห็นจริงๆเพียงแต่นึกวาดภาพในใจแล้วก็เห็นเป็นภาพรางๆอยู่ในความรู้สึกบางคนที่เห็นอาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนเสมือนหนึ่งเห็นด้วยตาแล้วก็ยึดถือว่าเป็นของจริงยมบาลทั้งถือเอาเป็นสาระไม่ได้ และโดยเฉพาะยมบานที่เป็นมโนภาพนี้ต้องระวังให้ ส่วนยมบาลๆซึ่งถ้าใครได้ไปเห็นภาพที่เห็นจะ ซึ่งยาประเภทย่อยออกไปอีกหลายภูมิหรือหลาย พวกอปปาติกะซึ่งมีระดับจิตๆ คนที่ซึ่งหมายความว่าพอสิ้นใจลงระดับจิตใจของตัวเองอยู่ในภูมิไหนก็จะไปเกิดในภูมินั้นทันทีอุปปาติกะมาเพราะฉะนั้น คนที่ทําบาปไว้มากซึ่งจะต้อง ก็จะได้รับความยุ่งยากอะไรต่างๆจะได้รับความยุ่งยากอะไร เราซึ่งมีนิสัยอย่างเดียวกับเขาซึ่งมีถ้าหากในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่อย่างเดียวกับเขาก็กรุณาๆ เพราะเหตุที่ๆของเรื่องยมบานเรื่องนรกและเรื่องสวรรค์ก็ เป็นความจริงเพียงส่วนหนึ่งความจริงเพียงส่วนหนึ่งและเป็นส่วนที่ เป็นเสมือนๆ ยมบาลเรื่องนี้จริงหรือเปล่าท่านบอกว่าจดประวัติของๆ แต่ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความเคยชิ้นสมัยที่เป็นมนุษยมีบางภูมิเหมือนกันที่มีการ คนนั้นคนนี้ได้ทํากรรมอะไร มันก็จะมีปรากฏการเกิดขึ้นในภูมินั้นๆเพราะฉะนั้นจะมีปรากฏการเกิดขึ้น หรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือหลักดังที่กล่าว ข้าพเจ้าได้เรื่องกรรมที่เป็นหลักใหญ่ที่สุดมาเป็นเวลา 10 1 กรรมดํา 2 กรรมขาวมีวิบากขาว 3 กรรมดําและขาวมีวิบากดําและขาว 4 กรรมไม่ดําและไม่ขาวมี บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารเชน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรียกว่ากรรมดํา อันไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนเมื่อเขาประกอบเทพเจ้าเหล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่ากรรมขาวมี ครั้นประกอบกายอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างอันไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างสังขารมโนสังขารอันเป็นไป <ítulo> เขาย่อมเสวยเวทนาอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างไม่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างไรเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบาก กรรมไม่ดำไม่กรรมสี่อย่างเหล่านี้แลมีรู้ทั่วแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองไม่ 21 หน้า 314 เรื่องราวมันผู้คนอาจเคยที่คน เมื่อไก่กระชั้นได้ไงสิ่งที่เจอที่